การบวชท่านกล่าวไว้ว่าบวชได้ยากบวชแล้วการปฏิพฤตตามธรรมวินัยก็เป็นของยากการจะดำเนินทางด้านจิตใจของนักบวชเพื่อรู้แจ้งห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยาก ทำไมจึงเป็นของยากเพราะกิเลสไม่ใช่ของง่ายได้กิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากการเผชิญ ป, ปฏิบัติเพื่อถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นของยากทุกๆประโยคไปความเป็นนักบวชกค็คือความเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าสึด แต่จิตใจของตนไม่ว่าจะเป็นครั้งใดก็ต่างหลักความจริงมีมาอย่างนั้นนิเลศไม่เคยมีความอ่อนแอท้อถอยพอที่เราจะชำระมันได้อย่างง่ายได้วิเลศมีความเข้มแข็งมีความแหลมคมมาก จึงได้ครองหัวใจสัตว์โลกหนเรามุ่งหน้ามาบวชในพระพุทธศาสนากว่าจะได้บวชก็เป็นของยากบวชแล้วที่จะรักษาศีกับบวชี่นยซึ่งเป็นการขัดต่อ น, นิจจัยเดิมอันเป็นนิสัยของกิเลสก็ต้องเป็นของยากเพราะต้องต่อสู้กันธรรมะระวังรักษา กายวาใจาใจของตนที่เคลื่อนไหวไปมาเพราะเหตุผลคกายอะไรก็ต่างมักมีกิเลสแทรกอยู่เสมอภายในอาการของจิตอาการของกายที่แสดงออกมาเมื่อเป็นเช่นนี้การประพฤติปฏิบัติยิ่งเป็นของยากโลกทิ่ ไม่รู้พิกภัยของกิเลสหรือไม่รู้เรื่องของกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจและยอมจำนวนต่อสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้สุดตัวจึงประพฤติปฏิบัติกันยากท้อถอยอ่อนแอต่อการที่จะบึกบึนหรือตะเกียบตะกายเพื่อการแก้ไขตลอดถึงเพื่อความหลุดพ้น นี่เราทราบกันได้ทุกองเพราะได้เริ่มปฏิบัติมาด้วยกันระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวแก้ไขกันยากไหมฝึกฝนอบรมตนก็คือการต่อสู้กับกิเลสซึ่งมันเชื่อมสอนจิตใจให้ เชื่ออย่างฝังจมไปตามมันมาเวลานานจึงเป็นของยากลำบากพิการที่จะอุตสารพยายามประพฤติปฏิบัติทางดน้านจิตใจเยว่าแวกว่าจากกิเลสไปแต่ละขั้นละตอนนี้ก็ต้องเป็นของยากไปโดยลำดับลำดับเพราะกิเลสไม่ว่าประเภทใด ต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นค ง, งเกาะอยู่กับจิตไม่ยอมปล่อยวางออกง่ายๆถ้าอุบายวิธีและการปราบปรามมีกําลังไม่พอแล้วก็ต้องยอมแพ้โดยไม่ต้องสงสัยอาจารย์ว่าการบวชก็ยากบวชแล้วการประพฤติพรตพรหมอาจารย์เป็นไปตามหลักสิกขาบทวินัยก็ยากอาการจะเกียดการที่จะจะเกียดตะกายตน ให้หลุดพ้นไปตามหลักธรรมที่ท่านชรงสอนไว้ก่อนที่จะให้หลุดพ้นไปได้ก็ต้องต่อสู้กับพิเดษอย่างเต็มทัติกำลังความสามารถซึ่งก็พ้นจากความยากลำบากไปไม่ได้เหมือนกันโดอรวมแล้วยากด้วยกันทั้งนั้นแต่การยากของผู้เชื่อหลัก ตามหลักธรรมวินัยของพระพธธุทธเจากก้าเพราะมันสุกบีสัยเพราะท่านผู้ผ่านไปแล้วได้ชัยชนะเพราะการปราบพิเลธทุกประเภทซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่ในจิตอย่างแนกสนีกท่านก็เคยได้บำเพ็ญเลิเคยฝึกฝ้นทรมานและชำนะสศสตว์สางปราบปรามมันลงไปอย่างราสังหิงจากัก พยานของเราเช่นองศาสดาที่เป็นครูของโลกทั้งสามเป็นตัวอย่างไม่ว่ากิเลสประเภทใดเกาะอยู่ในหัวใจใดแต่ต้องมีความเหนียวแน่นมั่นคงมีความฉลาดแหลมคมเกินกว่าจิตใจรู้ได้ว่าผิดหรือถูกว่าเป็นโทษเป็นคุณถ้าไม่ใช่ทำมีสติ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 แต่เมื่อพยายามทำหลักธรรมแล้วก็ไม่ยากเพราะความต้องการความอยากความหวังหรือความมุ่งมั่นมีอยู่ภายในหัวใจแล้วแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้ทุกขั้นทุกภูมิของอัดของธรรมและทุกประเภทของกิเลสไม่นอกเหนือจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นอาวุธอันสาคัญนี้ไปได้เลย <c oughs> ด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายาม พอแวกว่ายตนแลวออกจากวัตะวนหรือหมุนไปเวียนมาด้วยการเกิดแก่เก็บตายซึ่งล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกโวยไปตามระยะทางไม่ขาดวักขาดตอนเหมือนเขาโวยเข้าตอเน่เนี่ยเรื่องทุกข์กิ่มันติดซอยห้อยตามไปตามธาตุความเกิดชราความแก่พยะที่ความเก็บวันละความตายเป็นเช่นนั้น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 ตามสักขีของมนุษย์ก็ให้นามว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ถึงเป็นกษัตริย์สัตว์ก็ไปจากคนจากมนุษย์ดาวกิเลสมันไม่เลยนิยมว่าเป็นคนชั้นไหนมันคงเป็นกิเลสและเหยาบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจของคนและสัตว์ทุกประเภททุกชั้นทุกกลุ่มทุกชาติชั้นวันละไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ยากไม่ลําบากอย่างไร การที่จะปลดเรื่องกิเลสดุสสลัดกิเลสซึ่งเคยเกาะอยู่บนหัวใจให้ออกแล้วมันเคยเกาะมานานเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะนับอ่านได้ทั้งเบื้องตนเบื้องายแห่งความเป็นมาของตนของตนเพราะมันด้วยยาแสนด้วยยาทุกข์เปสายยาวเหวยียดมาด้วยกันกับชาติความเกิดเวลาความแก่พยาธิคเยบไข้โยป่วยตลอดถึงความตาย เรื่องของทุกข์ก็ติดสอยห้ยตามกันมาไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่าเป็นทุกข์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยเกิดเคยตายมานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงปัจจุบันนีน้นอกจากนั้นยังถูกกิเลสครอบําความเป็นมาจิตซึ่งเป็นผู้เป็นมา ให้หลวงเดิมไปหมดในความเป็นมาของตนมีความทุกข์ความลําบากยากจนเฉงใจประการใดเพราะอํานาจของกิเลสบีด บ, บังคับให้รับความทุกข์ความทรมารมันก็ปิดไว้อย่างมิดรชิดอีกเหมือนกันเราทราบได้ถ้าคุณเราเจอแล้วรายหนละรายทราบวิถีความเป็นมาของตนมีเรื่อง การท่องเที่ยวได้แก่ความเกิดที่นั่นตายที่นี่เป็นต้นเพียงเท่านั้นก็จะกระจายไปถึงเรื่องความทุกข์ความลําบากทั้งหลายที่ตนได้เคยประสบเคยรู้เคยเห็นมาเพราะเกิดขึ้นกับตนพอจะมีกําลังแจกจิตใจที่จะอุตสาห์พยายามแหวกว่าตนให้หยุดพ้นจากแห่งแห่งวัฏฏาวร น, น, นี้ไปได้ ถึงเราไม่ทราบพอตามผู้ที่เป็นสักขีพยานของเราก็คือองค์ศาสดาธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้ก็คือออกมาจากองค์ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นตามความจริงทุกอย่างแล้วว่าจัดทั้งหลายมิเยนว่าตายเกิดอยู่ในวัตถุสงสารไม่มีประมาณไม่นอกเหนือไปจากวัตวนนี้ได้เลย บรรดาสัตว์ที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันยิงตายตัวที่จะพาให้สัตว์เกิดและตายตลอดทึงใวลาความทุกข์ความลำบากต่างๆก็คือเรื่ อ, องอวิชชากบกิเลสประเภทละเอียดเป็นมาโดยลำดับลำดาเราถือองศาสดาและาศาสนาธรรมท่านที่แัดไว้นั้นมาเป็นจกักีปยาน ตาเราไม่สามารถมองเห็นเรื่องความเป็นมาของเราหูใจเราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องรู้ราวควาเป็นมาของตนก็พึงเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหูมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ประดับใจรือเครื่องสองทางจิตใจของเราย่งลงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไดนั้นเรื่องเกิดก็ไม่สงสัย เพราะเป็นความจริงนโดยแท้แต่เจ็บตายแล้วเกิดในภพน้อยภพใหญ่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นสัตว์เป็นมุขคนเป็นเป็ดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเทวบุตรเทวดาอินทรนั่นก็อยู่ในวงแห่งวัฏจักรขอนอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนี้แสดงให้เราทั้งหลายฟังไปไม่ได้ความจริงก็อยู่ที่ธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้เรียกว่าสคราตัธรรม อายุดนี้มาเป็นเครื่องสองทางมาเป็นสัตวีพยานมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ความฉลาดของหลราเป็นหลักดําเนินมีตั้งแต่ที่เราจะชาระสิ่งที่มันมีอยู่ ท, ทั้งทั้งสิ่งมันปิดบงังไม่ให้รู้เรื่องอดีตเป็นมาเท่าไหร่ก็ตามมันก็มีอยู่นี้สิ่งที่มันปิดบงังมามาแล้วพอดีปิดบงังในปัจจุบันไม่ให้สามารถทีถ่จะมองเห็นเรื่องอนาคตจะเป็นไปอย่างไรได้ ก็คือตัวมืดมิดปิดตาเนี่ยมันปิดอยู่ที่หวัวใจเราเวลานี้จคือว่าวิชาคือความมืดบอดมันเองรู้ก็รู้แบบกวิชาเห็นแบบกวิชาอะไรอะรเป็นแบบของมันทั้งหมดไม่เป็นแบบธรรมของพระพุทธเจ้าพอที่จะให้เกิดความสว่างก็จ า, างแจ้งแก่จิตใจของตอเ น, นเนลยจริงลําบากหมดเหตุ น, นี้จึงต้องยึดเอาหลักธรรมนี้มาเป็นสัจิพยานมาเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตาไว้กับจิตใจ พยายามตะเกียร์ตะกายไปต่ำนี้ทุกข์ก็ช่างทุกข์ด้วยความภาคเพียนเพื่อถอดถอนเพี้ยนน้ําออกจากจิตใจของตนพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกทินแดนแล้วว่าพระองค์ทรมานพระองค์ผุดผลพระองค์ยากลําบากเพียงไรที่ได็ก่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการฝึกผลพรมานหรืออกลมไปได้ก็าตาม ไม่มีอะไรยากที่บวการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะกิเลสมันพาให้ยากกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากยากที่จะถอดถอนยากที่จะตัดแต่งหรือปราบปามให้มันหมดสิ้นไปได้จากจิตใจจึงต้องได้ใช้กําลังเต็มความสามารถเพียงขั้นสมาธิฉะ น, นั้นเราก็ต้องใช้กําลัง ให้เหมาะสมกับสมาธิจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการใด ห, หรือความเพียรประเภทใดกำลังของตงัวมีมากเพียงไรวันนี้ทำสมาธิไม่เกิดเพราะกำลังไม่พอกำลังสติก็ไม่พอกำลังความเพียรก็ไม่พอจิตใจมีความอดทอแท้อ่อนแอความสงบของใจก็เกิดไม่ได้เพิ่มกำลังใหม่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลง ใ, ใหม่ต้องคิดกันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญา เอาจนสงบได้ทำไมจะสงบไม่ได้ทำท่านสอนเพื่อความสงบทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อความพุ่งสร้างลำขาดสอนเพื่อความสายแสบไปตามกระแสะของโลกขอ ง, งสงศารนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทำให้เป็นไปต่างหากไม่ใช่ธรรมจิตใจที่เป็นไปตามกระแสะของโลกอยู่โดยลำดับําดาโดยไม่มีสติเป็นเครื่องกัน้นกลางหัวห้ามหรือรับทราบกันบ้างเลยนั้น มันไม่ใช่เป็นการบาเพ็ญธรรมมันเป็นการเสือคล า, า, านตามที่เสือคานตามกิเลสที่มันถูกลากไปตั้งหาเราควรจะทราบในแง่นี้เอาไว้จะได้รู้สึกตัวแล้วเข้มแข็งทางความความภาพเพียรอีกเพื่อจิตมีอันนี้ดันมีความสงบนี่มีควายากตอนหนึ่งนี่แหละเราฝึกมนุษย์ดูเอายกตัวอย่างเอาพระพุทธเจ้าภาษาเวกมาเป็นตัวอย่าง ท่านฝึกตั้งยากลําบากขนาดไหนที่เราจะฝึกให้ง่ายยิ่งกว่าท่านท่าจะเก่งกว่าครูไปเพราะเหตุไม่เหมือนครูเหตุไม่มีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนครูเราจะให้ยเที่เรศถลยไปเร็วยิ่งกว่าครูเก่งยิ่งกว่าครูมันเป็นไปไม่ได้เราเดินตามครูลำบากก็เราก็ทราบแล้วนะพระประวัติของพระองค์ลําบากแค่ไหนพระสาวกบางองค์ลําบากแค่ไหน ส่วนมากมีลำบากกันทั้งนั้นเพราะกิเลสไม่เคยทำความง่ายใดให้แก่คนผู้ประพฤติรมนอกจากมันจะขัดขวางอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าข้าศึกของกิเของธรรมคืออะไรคือกิเลสนั่นเองเมื่อ <c oughs> พยายามทำจิตให้สงบวันนี้ไม่ได้ก็ให้ทราบว่าความบกพร่องกาลังของเจ้าของไม่เพียงพอสติไม่พอ ส ต, ติตั้งไว้กับงานที่ตนทำขาดวักขาดต่อจึงทำให้จิตถูกกิเลสฉุดลากไปตามกระแสของมันหาความสงมบมไม่ได้นั่งก็นั่งเฉยๆมุนอนหัวต่อแต่จิตเลื่อนไปด้วยอำนาจของกิเลสหมดนี่ เ, เรียกว่ากำลังสติไม่พอความเผลอตัวมีมากแล้วเร่งใหม่คลิปแปงเปี่ยนแป้งใหม่ เอาจนมีความสงบได้จึงชื่อว่าทำหรือบําเพ็ญทำให้เหนือกิเลสถ้าอ่อนกว่ากิเลสแล้วก็ไม่เห็นทำไม่รู้ทำกิเลสก็ไม่ยอมจึงต้องให้เหนือกิเลสความพุ่งสร้างเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการที่จะฝื้นจิตใจหรือผลอบรมจิตใจ ซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสให้เป็นความสงบภายในตัวเองขณะภาวน า, า, นาก็ต้องทุ่มเทกำลังลงให้เนื้อกิเลสอยู่ความพุ่งฉาันนั้นผิดก็จะสงบได้ไม่เหลือวิสัยไปได้เลยผุดถึงขั้นปัญดาเหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าไม่หยุดไม่ถอยคลี่คลายดูสิ่งที่มีอยู่ภายในตนที่ท่านเรียกว่าความจริง กายกตาสติเนี่ยนายติประฉานสี่ทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมหรืออริ ย, รรยสัจสี่มันก็เหมือนกันอยู่ในการจิตนี้เหมือนกันพิจารณาตรงไหนให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปกับงานหน่งการพิจารณา อย่าลดลาสติสติเป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวสติขาดว่าขาดตอนตรงไหนตรงไหนนั่นแรงงานคิดขาดว่ขาขาดตอนตรงนั้นผลที่ควรจะสืบเนื่องไปก็ต้องขาดว่าขาดตอนตามเหตุที่ขาดไปมีควรจะสานึกใจเสมอผู้ปฏิบัติอย่าให้วันนี้กับวันนั่นก็เหมือนกันวันผ่านมาแล้วกับวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้วันพรุ่งนี้ปี น, ปนี้ปีหน้าก็เหมือนกันคือเล้วไหล อ, อยู่เหมือนกันหมด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 กาห น, นดทําบทใดเพ่นกําหนดอนาปานัตสติก็ให้รู้อยู่ที่ลมเป็นกับตายก็ให้รู้อยู่ที่นั่นแต่ให้เผลอและสุดท้ายความรู้ทั้งทั้งมวลก็รวมกระแสตัวเข้ามาสู่จุดเดียวมีลมหายใจเป็นหลักเป็นที่ยึดลมก็ต้องละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งหายเงียบเลยก็มีแต่ไม่ตาย นี่เคยเป็นมาแล้วถึงพูดได้ไม่เคยเป็นพูดไม่ถูกอะละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนไปถึงขั้นลมหายใจหายเงียบไปเลยมันมีนตกอันหนึ่งนะมาเป็นค่าสิษ์ในระยะนั้นอ๋อนี่ลมหายใจหมดไปแล้วจะไม่ตายหรือหน่มันกระตุกเจ้าของให้เสียหลัก แล้วก็มาค้าหาลมหายใจสมัยลมหายใจไม่ต้องคว้าหามันพอถูกกระตกเท่านั้นลมหายใจก็มีขึ้นมาจิตก็มาสู่ความอยากตามปกติของจิตเสียผมมีปัญญาที่จะรักษาตัวตัวมันต้องมีอุบายที่จะแก้ความเผลอของตัวเองที่จิดเละเนี่ยจากเละอย่ยมของกิเละ คือความสงสัยกลัวว่าจะตายนั่นแหละมันเป็นเล่หเหลี่ยมของกิเลสปุ่งทราบตัวในขณะนั้นว่าเมื่อความรู้ยังครองล่างอยู่นี้แล้วอย่างไรก็ไม่ตายอารมณหยายใจจะหมดก็หมดไปเถอะถ้าปรุงความรู้นี้ยังมีอยู่ในร่างนี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านั้นก็พุ่งทะลุไปเลยหายเงียบไปนั่นนี่อุบายวิธีแก่เราต้องคิดค้นขึ้นมาภายในตัวของเรานั้นนะ่ะเป็น ความเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าครูวาจาย์จะหยิบยื่นให้ซึ่งสุดท้ายก็หลุดไม้หลุดมือไปหมดเสียเหมือนเจ้าของคิดขึ้นมาโดยละมังตัวเองและประจักษ์กับใจตัวเองทั้งได้ผลเป็นที่พึงพอใจจากอุบายนั้นด้วย น, นั่นเป็นสมบัติของตนจากภาพปฏิบัติการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันยาศักิ์แต่ว่าพิจารณาให้เป็นเพียงอาการนีืเป็นพิธี พิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงกับอาการนั้นๆจริงๆด้วยความมีสติสืบต่อเนื่องกันไปโดยลําดับแต่แยกแต่แยกอาการใดก็ให้มีความรู้กับอาการนั้นเท่านั้นสองอย่างให้รู้กันอยู่เพียงเท่านั้นเหมือนกับโลกนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้กับอาการที่กําลังพิจารณาอยู่นั้นสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สองอย่างเท่านั้นแล้วมันจะกระจายไปหมด ความรู้อันนี้จะสว่างกระจ่างแจ้งทึมนซาบไปทั่วอวัยวะส่วนอื่นๆที่เราไม่ได้พิจารกก็เข้าใจตลอดตัวถึงเพราะเป็นเหมือนๆกันบางครั้งอีกก็สร้านไปเองไปเที่ยวรู้ล่อขอบคิดไปหมดมันเหมือนกับกระดาษซึมมันซึมซาบไปซึมซาบไปพราะความซึ้งพานจิตใจว่าอันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเห็นอย่างเป็นของประฏิกูลหรือเป็นทุกข์กรดี เป็นอาณาตาก็ดีมันซึ้งถึงใจแล้วกําหนดไปทางไหนจิตมันซ่านไปไหนมันก็ซึ้งไปตา ม, ตามกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่อุบายปัญญาไม่ไม่พอผิดขึ้นมาหาอุบายคิดตั้งหน้าตั้งตาคิดตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาสังเกตด้วยความสนใจ เป็มไปด้วยเจตนาเป็นไปร้วยความมุ่งมั่นอยากจะรู้จะเห็นความจริงที่มีอยู่นี้สติต้องติดแนบเสมอไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาสติมีความจําเป็นตลอดแต่เว้นขั้นใดขั้นหนึ่งที่สติพกะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้การดําเนินด้วยความมีสติจริงจริงที่ให้รวดเร็วสติเป็นธรรมสาคัญมากทีเดียว ไม่ว่าขั้นสมาิไม่ว่าขันปัญญาจนกรทั่งถึงสติปัญญากลมเกินเป็นอันเดียวกันนั่นหละที่มีแต่ว่าสติก็น่าจะว่าปัญญาก็ถูกพอกระเพื่อมพับก็รู้ทันทีปัญญาวิ่งทันทีสองดูเหตุดูผลที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันสุดท้ายก็มีแต่เกิดขั้นดับเกิดขั้ดับเหตุการฝึกการทรมานตนก็หมายถึงการฝึกการทรม การต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื่ออยู่ภายในจิตใจเป็นส่วนใดแล้วความมืดตันนั้นแหละมันกระจายมาทางคิยามายาทำให้ทจิตภาพพราแม้ที่สุดมาบำเพ็ญธรรมมันก็ทำให้มืดไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่ทรท่านแสดงไว้แล้วนั่นเลย เพราะที่เหนมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกขณะของจิตเถอะตัวเมื่อไรที่เหียกเป็นได้ทีทีนั้นทําให้เถอะมันก็ไม่ทำไม่ทําเราทามั น, นมีอำนาจมากกว่ามันก็ยังถุดลากเาไปต่อหน้าต่อตาเราต้องผิดสติปัญญาถ้ามีกําลังกล้าสามารถขึ้นไปจนเอามันให้อยู่ในเนื้อมือจนได้ เนือุบายวิธีฝึกึงเรียกว่ายากการฝึกผลทรมานมนุษย์หนี่ยากเราแต่ละคนละคนเป็นมนุษย์นู่นมาจากพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์ท่านฝึกผลอารมณ์ท่านยากง่ายขนาดไหนท่านยังไม่ลดละถอยหลังยังเอาจนได้ชัยชนะมาเราเป็นลูกศิษยาทศกุเราจะเอาความประเสริฐเลินโลกเพ่าความท่าแท้อ่อนแอความขี้เกียจง่าย ความอ่อนกําลังเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นความเข้มแข็งในการประฤติปฏิบัติเห็นสัจธรรมที่ท่านประกาศตังวานอยู่ได้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วนํำทำรรว่าสัจธรรมนั้นเข้ามาดูความจริงของสัจธรรมคือคําว่าสัจธรรมนั้นเป็นชื่อที่ถังเขียนไว้ตามตำหนักตำนาที่เราทั้งหลายได้เยียนท่องบุนสังวัทะยายนั่นเป็นชื่อเป็นความจํา ให้น้องเขมาสู่ตัวจริงของสัจธรรมอันแท้จริงนี้คืออะไรสติปัฏฐานสี่อันเป็นความจริงแท้คืออะไรอยู่ที่ไหนอากายก็ร่างกายของเราทุกส่วนก็เป็นกายยคตาสติยุเป็นกายยานุปัชสนาสติปัฏฐานเวทนาเหมือนกันทุกทุบเฉยๆก็เป็นเวทนาสติปัฏฐานน จิตความคิดปรุงต่างๆในเรื่องราวต่างๆก็เป็นจิตานุปัสสนาตามรู้ตามเห็นความคิดความปรุงัองตอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อสายกับเรื่องราวอะไรหรืออย่าป ร, ร, มรมะทมมาลงนั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาก็อยู่ที่ตรงนี้เนื้อทุก ทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีก็คือทุกขสัตว์หมายถึงว่าเป็นความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเวลามีก็มามีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้คำว่าทุกข์ก็ดีทุกทั้งทางกายทั้งทางใจก็มีอยู่ที่นี่สมุ ท, ทยัยก็มีอยู่ที่ใจชื่ออยู่ที่ตำราท่านชี้เข้ามาหาใจเราต้อง มาค้นดูที่ใจของเหล่านี้เราถึงจะเห็นสมุทยัยถึงจะรู้เรื่องของสมุทยัยท่านกล่าวไว้ยอ่อๆว่ากามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาคําว่าตันหาคือคือความบกค้องคือความอยากกวนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอยากไม่หยุดไม่ถอยอยากไม่มีวันอิ่มพอโดยอํานาจของกิเลสนะั่นแหะท่านเรียกว่าตันหา มันรบวนอยู่ําโดยจำม่ําเสมอไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนตั้งแต่เล็กจนโตจนเฒ่าเจนแก่จนตายมันวนของสี่งนั้นนี่เรียกว่าตัณหามีเคยมีความสงบตัวเมื่อไรสักทีทําให้ทําให้มันสงบภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากที่ตลอดเวลาสามอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันนี่ภาวะตัณหาถ้าพูดทางภาคปฏิบัติแล้ว มันอยากในของไม่มีนั่นเองเกิดแล้วให้ตายมันมีได้ที่ไหนสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วมารับพาดจากไปมันมีได้ที่ไหนมันต้องพัดภาดจากไปเกิดแล้วมันต้องตายแต่วิภาวะตัณหานี่มันไปอยากในสิ่งเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่เป็นอฐานะคือเป็นไปไม่ได้นั่นแหละยิ่งเดียวว่าวิภาวะตัณหาอยากในของไม่มีอยากเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พออยากเหมือนกันห อย่ากใ น, นของมีอยู่เพียงเพราะว่าปัญหามันก็เป็นปัญหาไม่มีความอื่นพอเหมือนกันนี่ท่านเรียกว่าสมุ ท, ทยัยมันเป็นอยู่ภายใจิตใจของสัตว์โลกหรือของพวกเราทุกๆคนนี้อยู่ตลอดเวลาความไข่ความอยากความทะยทยานมันดิน้นมันปัดมันแก่งอยู่ภายใน จ, จิตใจหาความสงบไม่ได้ถ้าเป็นน้ําก็ขุณเป็นตมเป็นโคลนไปนหมดเพราะถูกกวนด้วยอำนาจของกิเลส จิตใจทำไมจะไม่ขุ่นมัวจ ะ, จะไม่มืดจะไม่เกิดทุกข์จิตใจขุ่นมัวจิตใจมืดเพราะอำนาจของี่เรศบรีบบังคับผลของมันก็คือความทุกข์ความลำบากลนบนมากน้อยตามกำลังของเรศที่ดีบคั้นในระยะนั้นนั้นั่นเองอยู่ที่ตรงนี้การแก้สมุทัย ก, ก็คือการพิจรารณา เป็นพิจนากายกตาสติเป็นต้นพิจนาด้วยมรคมรคคืออะไรสติเป็นของสำคัญสตินี้เป็นพื้นฐานใช้ไปทุกๆขั้นของงานที่ทำและขั้นของทำปราศจากสติไปไม่ได้เลย ส, ส, สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร<อ>นั่นแหละคือองมปัญญา ที่จะมาคลี่คลายดูเรื่องของพิเดศภาคปั้นหันแหลกพิเดศมันรักมันชอบกับสิ่งใดมันไปหลงกับอะไรหาเสกสรรปั้นแต่งเอามาแข่งทำของพระพุทธเจ้าอยู่านในหัวใจของเราพิเดศมันเป็นคู่แข่งกับธรรมทำมาไม่ให้รักพิเดศมันฝืนไปรักทำธรรมม่ให้ชังไม่ให้เกลียดไให้โกรธ กิเลสมันฝืนต่อหน้าต่อตาไปเกลียดไปโกรธอยู่ได้ภายในหัวใจเราที่กำลังบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจอยู่นั่นแหละนีะน่มันเป็นเครื่องต่อสู้กันอือนี้ทุกระยะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้รู้กลมยากของมันที่เขย่าอยู่ตลอดเวลาภายใ น, ในใจิตใจเราด้วยสติเอาเอาให้รู้กันกรองหรือขี่คลาย ผักดันมันออกไปหรือฟาดฟันมันออกไปด้วยปัญญาทีแรกก็ใช้สมาธิก่อนพอให้มีช่องทางดำเนินได้นอกจากเป็นกรณีพิเศษที่เราจะใช้ปัญญาฟาดปันหันแหลกกันไปจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมอบจิตหมอบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นั่นเป็นกรณีพิเศษดังเขียนไปแล้วในปัญญาวงสมาธิ อันเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยท่านมากคืออะไรรุคเชยานังเรื่องความรู้ถ้าจะทำตั้งสี่ลุคเชยานังสมุทรียานังนิโรเทยานังนิโรธามีปฏิปดาทะปตดายะยานังอายังวุจติสัมมาทิฏฐิ ท่านว่านั่นการเห็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมสมุทัยเป็นของจริงเป็นลาดับนรกก็เป็นของจริงนิโรธก็เป็นของจริงด้วยปัญญาอันซึ้งหรืออันละเอียดแหลมคมนั่นเรียกว่านั่นแหลคือสมาธิธอยังวุจติสมา ธ, ธิแต่ว่าความเห็นชอบความเห็นไม่ปิงเกี่ยวกับธรรม ไม่ปิ่งเกลียวกับหลักธรรมชาติไม่ปิงเปียวกับหลักคติธรรมดาที่เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนนี่ระทีการกล่าวทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหนบนรรจุอยู่ที่หั ว, หวใจของเราที่ทางนั้นนิโรธเป็นกิจยานหนึ่งเท่านั้นเราไม่ไปขนขวายกับเรื่องนิโรธเนะี่ยการงานไม่ไปเกี่ยวกับนิโรธเลยไปแบบทําเช่นอย่ายงท่านว่า นิโรธควรทาให้แจ้งหรือพึงทาให้แจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะใครจะไปทำหน้าที่ให้นิโรธแจ้งไม่มีเมื่อย่างทุกก็เพียงกำหนดทราบกันเท่านั้นแต่ให้ทำหน้าที่ละถอนถอดถอนสมมูไทยด้วยมากมีสติปัญญาเป็นตําผันนี้เท่านั้นงานที่ทำจริงๆ น, นี่จะเรื่องระหว่าง ขมูไทยกลับมาทำหน้าที่ต่อกันทุกเมื่อผึ่งทราบพันปริยันติเมพิคอยปริญญาตันติเมพิเคยนั้นหมายถึงพระองค์ประกาศท้าทายให้เป็นตะวกขีทั้งห้าทราบหรือให้เป็นตะวกขีทั้งห้าฟังทุกที่ควรกาหนดรู้เรากําหนดรู้แล้วขมูไทยที่ควรละเราได้ละละได้แล้วนิโรธควรทําให้แจ้งเราได้ทําให้แจ้งแล้วมากที่ควรบำเพ็ญให้ เกิดให้มีแล้วได้บันไปให้เกิดมีเต็มสมบูรณ์แล้วการจะทํานิโรธให้แจ้งก็หมายถึงเรื่องของมรรคโดยตรงผิดสติปัญญาขึ้นมาทุกระยะจนมีกําลังแก่กล้าสามารถแล้วก็จะทําให้แจ้งซึ่งทั้งทั้งเรื่องธรรมทั้งเรื่องกิเลสแจ้งไปด้วยกันนิโรธการทําให้แจ้งคือความดับทุกข์ การดับทุกข์ไม่ดับสมุทยัยทุกข์ดับได้ยทงไงนั่นต้องรู้แจ้งเห็นจริงในสมุทยัยละสมุทัยได้ด้วยความเข้าใจทราบซึ้งทางด้านปัญญาจะไปละเฉยเฉยก็ไม่ได้นี่แหละงานอันพิ้งสำคัญก็คือระหว่างสมุทัยกับมรคทำงานต่อกันนี่แหละกระจายไปถึงเรื่องทุกข์ด้วยเรื่องนิโรธ ด, ด้วยซึ่งเป็นผลด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งบมองตนมึงปลายบมองต้นคือทุกข์ เป็นผลเกิดจากกิเลสคือสมุทยัยที่เรียกว่าสมุทยัยสมุทยัยนิโรธดับเพราะอำนาจของมรรคปราบกิเลสให้ดับไปความทุกข์จะไม่มีทางเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเลยเว้นเป็นตะขันที่เป็นธรรมชาติของมันแ ม, พม้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีภาษา ว, ว่าก็มีเหมือนกันจนธาตุหนึ่งขันมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่ตัวกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ดับกบขาเค้ากิเรสดับไปทุกข์ ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผิดขึ้นมานั้นดับไปแต่ทุกข์ในขันไม่ดับมันดับเกิดเท่ามันก็เกิดมันดับเท่ามันก็ดับแต่หากเราจะแยกออกมาเป็นสมุทัยของธาตุก็แยกได้แต่มันไม่เห็นเรื่องกจำเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเราฉันอะไรรับทานอะไรไปแสลงต่อธาตุขันของเรามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นถ่ายท้องเพรา ะ, ะอาหารประเภทนั้นประเภทนั้นนี่อาหารประเภทนั้นเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุให้เราถ่ายท้องเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ น, นี้มันไม่ใช่กิเลสท่านจึงไม่ได้มาเกี่ยวข้องส่วนที่เป็นกิเลสอันเป็นสิ่งําคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตแสดงทิฏยาอาการออกมาจากจิตนั้นท่านเรียกสมุทัยคือแสดงออกมาในฝ่ายผูกพันให้ติดอยู่แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความผูกพันและความติดอยู่นั้นท่านจึให้แก้ด้วยมรคคือปัญญาอันแหลมคมเมื่อแก้นี้ได้แล้วทับ ถ้ามูอไทยก็หมดหมดสมมูลไทยหมดทุกมันก็ดับก็จะไปทำนิโรธให้แจ้งด้วยวิธีการใดท่านบอกไว้เพียงเท่านั้นนิโรธเพิ่งทาให้แจ้งคือความดับทุกข์ให้เพิ่งทาให้แจ้งด้วยปัญญาความหมายว่าอย่างนั้นทุกเพิ่งกาหนดด้วยการทำลายมาก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 เรื่องรับรองอยู่เวลานี้ก็คือความรู้กิเลส ก, ก็อยู่ที่ความรู้นั่นแหละชาติจะทำอยู่ที่ตรงนี้แหละทุกเกิดขึ้นมาจากใจเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุนี่นิโรธคือความดับทุกข์ดับเพราะอำนาจของมรรคทำลายกิเลสเครื่องผิดทุกข์นั้นให้จิตหายลงไปไม่มีเหลือแล้วทุกภานใจของพระผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ไม่ส่วนทุกข์ทางทาธาตุทางขันมีด้วยกัน พระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีเจ็ดท้องปวดหวัวหิ้วกระหายอยาับจยากนอนดังที่เป็นอยูงเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์มันมีอยู่แต่สําคัญที่จิตจะ ไ, ได้รับความกระทบกระเทือนจากทุกภายในร่างกายที่เกิดขึ้นมากน้อยจะขนาดถึงตายก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทําลายจิตใจอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิมุติธรรมนั้นได้เลยพระวิมุติเป็นอันหนึ่งสมมุติเป็นหนึ่งอยู่ถ้าหากว่าเป็นโลกทั้งสองโลกอยู่คนณะโลกแล้ว แต่ธรรมนี่มันเป็นโลกลุตระธรรมอันสุดยอดแล้วเนื้นอธรรมอันสุดอย่างสุดยอดแล้วทุกเวทนาทั้งหลายเหล่านี้จะเข้าไปเอื้อมถึงได้อย่างไรมันจะเป็นมากเป็นน้อยเพียงไรก็แสดงอยู่ภายในขันภายในร่างกายคือรูปประขันนี้เท่านั้นสามารถที่จะเข้าไปทำลายหหาหาาให้จิตใจมีความโยกคลอนนุย่ยเอียงไปได้ไปด้วยเลย เย็ยนสัจธรรมจบจบตรงนี้สติปัฏฐานสี่เขาจบตรงนี้ไม่ได้จบที่ไหนพระพุทธเจ้าภาษาวกทั้งหลายท่านสําเร็จตรงที่ตรงนี้รู้แจ้งเหน็นจริงที่ตรงนี้ปราบกิเลสให้ราบเรียบที่ตรงนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปราบกิเลส เพรตั้งเดิมเป็นสานที่ผิดของกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจเรามาศึกษาอัดธรรมก็นำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องมือปราบกิเลสให้หมดไปจากใจนี่ใจก็ว่างจริงคือว่างจากกิเลสว่างไปหมดว่างจากตัวเองทั้งว่างจากกิเลสแต่ก่อนเต็มไปด้วยกิเลสใจหาเวลาว่างไม่ได้ทรรมนะกกิเลสหมดไปแล้ว ไม่มีเหลือแล้วใจก็ว่างว่างทั้งจากกิเลสด้วยว่างทั้งจากตัวเองด้วยไม่ยึดไม่ถือไม่ํำคันมั่นหมายน่ว่างที่ตรงนั้นความว่างนั้นแหลยคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นกับความว่างนั้นจะกลายเป็นศูนย์ได้อย่างไรฟังดึกมันศูนย์ทมันศูนย์ไปจะเรียกว่าบริสุทธิ์หรออืม เรียกว่าว่างเลยหรอศูนย์ก็เป็นศูนย์ว่างก็เป็นว่างบริสุทธิ์ก็กับกับความว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกันความศูนย์เป็นอันหนึ่งต่างหากอย่างโลกอยว่ศูนย์ศูนย์อย่างที่หายผล่ีป้ไม่มีอะไรเหลือเลยเช่นไฟไม่บ้านศูนย์ไปหมดทรัพย์สินเงินทองไม่ไม่มีสิ้นเหลือเลยแตกว่าศูนย์ แต่ธาตุเดิมของมันมันก็ไม่ศูญศูนย์จากความเป็นสมบัติที่เราเสด็จสารปั้นดอหิือผิดขึ้นมาเป็นสมบัติเป็นถ้วยชามน้ำมังกรอะไรก็แล้วแต่เป็นบ้านเป็นเรือนเมื่อถูกไฟไหม้ลงไปแล้วมันก็กลายเป็นดินห้องธาตุเดิมของมันก็ไม่ศูญศูนย์จากความเป็นบ้านเป็นเรือนความเป็นสมบัติเงินทองทั้งนั้น มันไม่ได้สูญไปอย่างนี้แม้จะศูญแบบโลกก็ดีก็ไม่ได้สูญไปจนไม่มีเหลืออะไรเลยให้เป็นเชื่อเดิมคือธาตุเดิมของมันมันก็ลงไปอยู่ธาตุเดิมของมันตรงนั้นไม่มันสูญได้ยังไงมันอยู่ประจำที่จิตธาตุเดิมแท้ก็คือธาตุรู้พอแล้วสูญไปหมดก็ยังเหลือแต่ธาตุรู้ร้วนๆมันศูนย์ไปไหนรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้น ศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาเป็นความบริสุทธิ์จะอะไรมาเป็นความว่างไม่ได้ปฏิบัติแต่คาดคะเนดาวเอาเอด้วยอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็ไปเชื่อกิเลสลงอย่างจงมมิตราตายแล้วศูนย์ เวลามีชีวิตยอยู่นี้อยากทาอะไรก็ทําไม้คํานึงถึงบุญทถ้งบาปดีชั่วประการต่างๆขอให้ได้ทําอย่างสมใจในะขณะมีชีวิตยอยู่นี้เพราะเวลาตายแล้วหาไมา่ทั้งหมดศูนย์โดยประการทั้งปวงไม่มีทิ้ง ต, ต่อนี่คือเรื่องของกิเลสกล่อมจิตถ้าจมมิตรลงไปจนไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ทั้งคนอันมีศักดิ์สิทยิ่งกว่าสัตว์โดยกายยิ่งไปต่ํากว่าสัตว์ที่เขาไม่รู้เรื่องข ร, ราวอะไรที่อื่ น, นี่เรเรื่องขั้งกี้เลยหลอกสัตว์โลกมันหลอกได้ต่อหน้าต่อตามไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลมนุษย์เราเนี่ยแว่ามีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ต้งความรู้ความฉลาดทันแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลสต้มตุนเอาอย่างแหลกละเอียดไปเลยการที่มีความคิดความรู้สุดเช่นนั้นมันเป็นของดีแล้วเหรอมันเป็นการทําลายตน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 เรื่องศาสนาลึกซึ้งขนาดนี้เพราะใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากศา ส, สนาสอนก็คือความรู้ของใจออกมาเป็นศาสนาจึงต้องสอนเข้าไปที่ใจมีความละเอียดแย้มคมเท่าๆกันจึงจะเข้าใจถึงเรื่องของการละกันระหว่างธรรมกับใจก็อยู่ด้วยกันเข้าใจกันได้กิเลสละเอียดขนาดไหนก็เหนือธรรมไปไม่ได้เพราะกิเลสเป็นสมมุติธรรมเป็นได้ถึงขัง้นวิมุตติธรรมจึงต้องเหนือกิเลสเส ม, มุอ เหนือไปไเรื่อยจึงมาตั้งปราบกันอย่างเรียบร่าไม่มีอะไรเหลือความยากความอมาับทั้งมวล ท, ที่เราทํามานั้นมันก็หายไปหมดแล้วมันไม่ได้มาเกอะกวนทําทลายเราอยู่ในขณะที่บริสุทธิ์แล้วนั่นเลยทั้งเป็นเครื่องหนุนให้เราได้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์ด้วยการประกอบคเครื่อง น, นั้นอีก แต่เราไม่ทําอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนี้เราพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจตอนนั้นความเปลียนเราเปลี่ยงนั้นตอนนั้นความเพียนเราเปลี่ยง น, นั้นความทุกข์ความลําบากเพราการต่อสู้กิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นซ้ำมาเป็นลําดับบรรดาถึงขั้นที่จะมอบเป็นมอบตายกันเพราะความแต่กล้าสามารถแทนสติปัญญาศรัทธาความเพียรนั่นมันก็หมุนเงนเข้าไปเลยตายก็ไม่เคยเสียดายชาติมันเลย นอกจากให้รู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้เอาตายก็าตายเนี่ยถึงขั้นมันตรงมันตรงถึงขั้นมันสู้มันสู้ถึงขั้นมันเสียสละเป็นสละตายมันเสียสละจริงๆเพื่อทําตรงนั้นเอาซะจนมันผ่านพ้นไปได้อย่างใจหวังแล้วมันก็ไม่เห็นตายความทุกข์ทั้งมวลในการประกอบความเพียรมาทุกประโยคนั้นมันก็หายหน้าไปหมดอืกลับเหลือแต่ผลเท่านั้นคือความสมบูรณ์ภานาน จ, จิตใจเพราะ ควมเียรเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเพระาะฉะนั้นขอให้ยึดเหล่านี้ไปเป็นหลักเป็นเจนเป็นคติเครื่องจะดำเนินตนเองภูมิยากลําบากก่อนพยายามผลิตสติปัญญาของตนให้ทันกับปัญญาของเจดีย์อยู่เสมอเสมอยา่าใส่ท้อถอยอ่ อ, อนแอซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามันจะทางของธรรมที่จะพาดําเนินให้ถึงความพ้นทุกข์นอกจากจะพระ ครอบคลุมทุกคนนี้มากยิ่งกว่าที่มีอยู่แล้วนี้เท่านั้นฉันตอบไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง